เมื่อโรงเรียนหยุดผมได้มีโอกาสไปเที่ยวที่วัดนกกระจาตบตําบลบางบานก็โดยว่าณทิมแกจะไปหาอาจารย์ของแกซึ่งเป็นสมพันธ์อยู่ที่วัดนั้นเพื่อจะไปเอาของดีอยู่ยงคงกระพันพ่อใหญ่ผมรู้เข้าก็เลยฝากตัวผมไปด้วยขอให้นทีมกราบไหว้ท่านอาจารย์ขอของดีให้ผมบ้างสําหรับป้องกันตัวเพราะเกิดเป็นลูกผู้ชายจําเป็นจะต้องมีของดีไว้ประจําตัวมีเสียแรงเกิดเป็นคนเมืองหลวงเก่า เมืองซึ่งเต็มไปด้วยคนดีมีวิชาถ้าไม่มีไว้บ้างจักระรายอยู่อาจารย์คร่ำครขลั ง, งมีใช่จะหมดไปเสียในอายุทยาท่านอาจารย์เป็นคนร่างสันทั์ผิวเนื้อสองสีมีสง่าราศีหน้าเคารพ บ, บูชามีอารมณ์เยือกเย็นพูดน้อยชอบมองผู้ไปหาอย่างเงียบๆและพิจารณาอย่างลึกๆท่านยิ้มอย่างครึมๆ เราค้างที่วัดสองคืนเพราะต้องรอคอยของที่ท่านจะให้ของรุ่นนั้นท่านจะต้องทำอีกเพื่อนทิมแล้วก็ผมรุ่งขึ้นวันที่สามกว่าจะได้กลับก็ร่วมบ่ายผมได้เชื่อคาดเอวกับอสรพิษและเขียวงาทั่วๆไปส่วนน้ทิมได้ตะกรุดอะไรของแกก็ไม่ทราบจัดการร่ำลาแล้วก็ออกเดินทางหน้านี้แรงจัดลำน้าย่านนั้นแห้งขอดผู้คนข้ามฟากไม่ต้องอาศัยเรือเลย เดินข้ามกันในลำน้ําอย่างสบายมีทางน้ําไหลเป็นสายๆลึกบ้างตื้นบ้างพื้นท้องน้ําเป็นทรายละเอียดทางน้ําไหลนั้นอย่างลึกก็แค่ข่าโดยมากมักจะเพียงท่วมหลังเท้าเท่านั้นเป็นการอัตคัดน้ําสําหรับชาวบ้านบางนั้นอยู่มากเวลาร้อนจัดจะอาบน้ําบ้างตอนไหนตื้นน้ําก็ร้อนเหมือนน้ําต้มต้องบุกไปหาตอนน้ําลึกที่พอจะนั่งลงพอน้ําท่วมแค่ตัก แล้วก็ใช้มือกวักหรือว่าขันตักรถเอาตามที่มีเราทั้งสองคนเดินลงน้มที่ร้อนจัดมาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งขึ้นทางคลองแล้วออกสู่ทุ่งซึ่งขณะนั้นแดดยังจ้าไม่ลดลงเลยเรามุ่งหน้าตัดทุ่งตรงทิศพระนครศรีอยุธยาเพื่อสู่ตำบลหัวดุมเพื่อลงเรืออีกทอดหนึ่งเบื้องหน้าเราเป็นทิวไม้เขียวแก่อยู่ขอบฟ้า และนั่นก็หมายเพียงครึ่งทางเท่านั้นจะต้องเลยทิวไม้นั้นไปอีกครึ่งจะเข้าเขตหัวดุมหน้าท้อแท้ในความไกลและกลางแดดจ้าแทบจะกินเนื้อเมื่อขามาก็นำกันมาทางนี้พอขากลับรู้สึกถอนระอาบุกบั่นมาด้วยความอ่อนเคลียก็มาถึงดงไม้เขียวที่เห็นแต่แรกออกเดินผมขอร้องให้นาทีมหยุดพักที่นั่นก่อนชั่วคราวพอแก้ความอ่อนเลีย ที่ตรงนั้นมีวัดร้างอยู่วัดหนึ่งหักพังจนเกือบไม่มีซากพงไม้รกรือ้อตัวโบสถ์พังเคเหลือกำแพงผนังโบสถ์ที่พังไปบ้างอยู่สองด้านองค์พระประธานนั่งอยู่กลางแจ้งเรากลัวแดดอาศัยเงาไม้ใหญ่พักกายค่อนข้างนานต่อตะวันบ่ายแดดอ่อนจึงออกเดินเหลียวดูบ้านกลุ่มบางบานอยู่เบื้องหลังไกลลิฟเดินอย่างสบายสายลมเย็นและมาค้ำเอาค่อนทาง พระอาทิตย์ลับดวงอากาศค่อนเย็นเข้ามีความชื้นบานมาลบล้างความเหี่ยมของแดดนทิมมีสีหน้าสงสารผมที่ว่าอุตส่าห์เดินไกลแสนไกลเท่าผู้ใหญ่เบื้องหน้าเราอีกครึ่งเส้นมีศาลาใหญ่ฝาโลง่งที่สำหรับพักคนเดินทางความเก่าของศาลานี้ประมาณไม่ถูกอาจจะหลายสิบปีเราหารือกันว่าจะพักนอนกันที่ศาลาดีหรือไม่ถ้าจะไปก็อีกไกลกว่าจะถึงหัวดุม ซ้ำร้ายค่ำคืนแล้วจะเอาเรือที่ไหนต่อไปชาวบ้านนั้นไม่มีใครจะเดินทางกลางคืนด้วยเรือเราก็ต้องไปนั่งหลับกันอยู่ริมตะลิ่งนั่นเองถ้านอนเสียที่ศาลานี้ยังมีพื้นไม้กระดานให้นอนดีกว่าจะไปนอนกลางดินที่หัวดุมพอเช้าขึ้นเราก็ออกเดินทางสะดวกดีทุกประการพอเดินมาถึงศาลาก็พอดีมืดต่างก็ตกลงนอนค้างกันที่นั่นศาลาใหญ่นี้โปร่งไม่มีฝา เป็นสารายกพื้นสูงมากเห็นทีว่าจุดมุ่งหมายผู้สร้างให้เป็นทานนั้นจะมีที่ให้ผู้สัญจรผูกม้าผูกโคไว้ที่ใต้ถุนสาราได้อย่างสบายนาทิมได้ไต่บันไดขึ้นไปก่อนส่วนผมไต่ตามหลังนทิมไปพื้นกระดานสาราปูไวท้ทีๆบ้างห่างๆบ้างไม่ค่อยเรียบร้อยบางแห่งก็โวหายไปถ้าเดินไม่ระวังขาอาจจะพลัดตกร่อง หลังคาบางตอนกระเบื้องผุแตกหลุดมองโปร่งถึงฟ้าเราถอดเสื้อผึงร่างกายที่เหนียวเหงื่อเพราะไม่ได้อาบน้ำนัดทีมงัดเอาขนมแห้งๆเช่นถั่วลิสงตัดข้าวพองที่ติดย่ามออกมาแบ่งกันกินพร้อมกับน้ำในกระบอกที่ยังเหลืออยู่บ้างจากตอนเดินทางกินไปก็เหลียวมองรอบด้านไปมันช่างเงียบเงาเหลือกำลังมีแต่ทุ่งเลี้วไปในความมืดจะหามนุษย์ักชีวิตมาทำยาก็ทั้งยาก เห็นจะมีอยู่เพียงหน้าทิมกับผมเท่านั้นเรานั่งกันอยู่ประเดี๋ยวเดือนก็โผล่ขึ้นขอบทุ่งสาดแสงระยิบระยับจับทิวไม้มองเห็นภาพของท้องทุ่งได้อย่างชัดตาศาลานี้แม้ไม่มีฝามืดทึบก็ตามแต่มันก็น่ากลัวตามสภาพของมันผมนั่งไม่ห่างกับหน้าทิมเลยแงนมองดูเพดานศาลามืดทึมเฉพาะตรงกระเบื้องหลุดเท่านั้นที่พอจะมีแสงสว่างนึกๆึกไปก็ดูน่ากลัวนะครับ กลัวพูดผีปีศาจประจาท้องทุ่งของที่ผมได้จากพระท่านให้มาก็เพียงเพื่อป้องกันเคี่ยวงาจากอสารพิษหาได้ป้องกันพูดผีไม่แต่ว่าตะกรุดของณทิมจะป้องกันอะไรบ้างผมก็ไม่ทราบแม้ถ้าเองไม่เตือนให้เอากระบอกน้ำมาด้วยก็อดเลยนะณทิมพูดในขณะที่กำลังยกกระบอกน้ำขึ้นดื่มน้าลืมแล้วล่ะสิฉันไม่เตือนก็อดเท่านั้นผมบอกณทิมไป แล้วก็เคี้ยวถั่วลิสงตัดไปด้วยถ้าลืมน้ำนะมันก็ต้องไปให้ถึงหัวดุมโอ้ยแย่เลยผมร้องถัดเพราะท้อทางเดินพลางแงนดูเพดานสาลาไปรอบๆแม่นะสาลาเนี้ยฉันคนเดียวเห็นจะนอนไม่ได้น่ากลัวจังทำไมวะมันจะมีอะไรเป็นค่าค่าก็นอนสุขโขไปเท่านั้นโห้ยไม่ไหวเห น, นะนะทีมหัวเราะขบขันความกลัวของผมแล้วเราสองคน ก็ต่างนิ่งกันไปความเงียบก็กลับมาดังเดิมนานๆจะมีเสียงวัวบ้านไกลร้องบ้างและสุนัขเข่าลอยมาตามลมผมเอนกายลงนอนข้างๆกันกับนาทิมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายตัวเพราะว่าตัวมันเหนียวและพื้นก็มีเสี้ยนคายหลังแต่ก็เอามือปัดๆไปนอนตามมีตามเกิดเราทั้งสองเคลิ้มๆจนจะหลับเนื่องจากการทรมานร่างกายตอนเดินมาทั้งวัน นี้ถ้าหากว่าให้เราสองคนนอนกันกลางดินก็คงจะหลับได้ไม่ยากแน่นอนดูเหมือนจะมีเสียงคนมาณทิมกับผมสะดุ้งจากการเคลิ้มพร้อมๆกันพร้อมกับงอหัวไปดูข้างล่างเดือนสว่างมองเห็นได้ทั่วเป็นความจริงมีคนมาแท้ๆไม่ใช่หูแววเป็นคนคนเดียวเดินทางมาและหยุดยืนตัดสินใจว่าจะพักหรือไม่พักลังเลอยู่ข้างล่างสักครู่หนึ่งก็ค่อยๆก้าวขึ้นบันไดามา พอขึ้นมาแล้วเขาก็รู้ว่ามีคนพักอยู่ก่อนแล้วคือหนทีมกับผมเขาหันมาดูเราหน่อยนึงแต่มันก็มืดมากไม่รู้ว่าเป็นใครเพียงแต่รู้ว่าบนศาลานี้มีคนเขาเดินเบาๆไปอีกมุมหนึ่งของศาลาอย่างเงียบๆศาลาพักสาธารณะเช่นนี้ทุกคนมีสิทธิ์จึงไม่มีใครทักใครต่างคนต่างพักตามใจชอบผมรู้สึกว่านาทีมออกจะระแวงไอหมอนั่นไปในทางร้ายก็คือฉก ช, ชิงวิ่งราวหรือย่องเบา พอหมอนั่นขึ้นมาบนศาลาณทีมก็ลุกขึ้นนั่งคุมเชิงทีเดียวความจริงกร็น่าหนักใจอย่างณทีมแกเพราะว่าหนทางเปรี่ยวเช่นนี้จะมัวนอนหลับหลประเดี๋ยวพ่อก็ย่องมาหยิบอะไรไปหมดเหลือเพียงแต่กายเท่านั้นเองหรือว่าศาลานี้เป็นที่หากินของพวกนี้ใครเดินทางผ่านมาก็นอนพักและผู้ที่มาพักทุกคนก็ล้วนแต่อ่อนแรงมาทั้งนั้นลงนอนหลับเป็นตายเลย อย่าว่าแต่หยิบของนอกกายไปเลยแม้แต่กางเกงที่นุ่งอยู่ก็อาจจะค่อยๆถอดเอาไปได้หมอนั่นหันข้างให้เราเบิ่งหน้าดูไปนอกทุง่งไม่เอาใจใส่กับพว ก, กเราเลยผมเริ่มใจไม่ดีอย่างนี้นอกจากน่ากลัวจะเป็นผียังน่ากลัวโจรผู้ร้ายอีกแม้ว่าจะถูกเข้าจริงจะเรียกใครช่วยละ่ะมองไปทางไหนก็มีแต่ทุ่งโล่งกับพงไม้เรื่องมันก็ต้องคุ้มกันตัวเองเวลาล่วงเลยไปหลายนาที เราต้องนั่งคุมเชิงอยู่แม้แสนจะง่วงก็หลับตาลงไม่ได้แต่ว่าในครู่นั้นในใจเราก็ค่อยยังชั่วขึ้นเพราะมีเสียงคนมาอีกข้างล่างพอจะมีเพื่อนพึ่งพากันมีให้การจรกรรมเกิดขึ้นได้ง่ายๆผมเฉเง้อคอมองลงไปข้างล่างทางเกวียนสายยาวขาวโพลนในแสงเดือนร่างของใครคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่หันหน้ามองขึ้นมาบนศาลาอย่างลังเลคล้ายกันกับคนแรกและในสองสามอึดใจนั่นเอง เขาก็ตัดสินใจแน่แล้วไต่บันไดขึ้นมาบนศ า, าลากรอกหน้าดูทั่วๆแล้วก็เดินพ้นบันไดามาอ้าวที่สนเหรอนั่นเสียงหมอคนที่นั่งอยู่ก่อนร้องทักผมประหลาดใจนักบนศาลานี้มืดมองเห็นหน้ากันเพียงเงาสีดำเท่านั้นทำไมมันมองเห็นกันและจากันได้ท่าทางว่าจะนัดกันไว้ซะแน่แล้วเราสองคนท่าจะแย่หากพวกมันเป็นผู้ร้ายมันก็รับมือณทิมอยู่ ตัวผมเป็นเด็กจะช่วยอะไรนะทีมได้รังแต่มันจะวาดเอาให้ตกใต้ถุนไปเท่านั้นเจ้าคนอยู่ก่อนเรียกชื่อและถามไปเจ้าคนมาใหม่หันไปดูทางเสียงใช่คนมาใหม่รับและย้อนถามนั่นทิดก้อนเหรอฮะไปไหนมาละเนี่ยอ๋อไปในเมืองบะกันก็จะไปเมืองเหมือนกันแล้วทั้งเก่าและใหม่ก็ไปนั่งรวมคุยกันต่างไม่เอาใจใส่เราทั้งคู่ถามทุกถามสุขซึ่งกันและกันซึ่งเราไม่ฟังเป็นอารมณ์ เพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราการแสดงตัวของเขาทั้งสองก็เป็นคนเดินทางธรรมดาจากการโต้อตอบว่าจะเดินทางไปในเมืองและก็เช่นเดียว ก, กันกับเราที่จะไปในเมืองเรื่องการสงสัยของผมยังไม่หยุดทั้งการมาของมันและการทักกันมันก็บอกอยู่อย่างชัดเจนว่านัดหมายกันมาแม้แต่จะหาหนทางพูดกลบเกลื่อนเพื่อพรางหูพรางตาเราสองคนเราก็ฟังออกว่าเสยแ้งแกล้งพูดมันต้องแอบเห็นเรามาพักที่นี่ แล้วมันก็ทยอยกันมาทีละคนดูท่าทีจะเล่นงานเราได้หรือไม่ได้มันคงหากินที่นี่มานานแล้วเห็นหมูหลุดป่าเข้ามาแล้วเมื่อใดก็หวานมันพอเราหลับมันก็่วยไปเตียนเลยนาทิมต้องใจตรงกับผมแน่แกคลาหาอะไรในย่ามยุกยิกยุกยิกและหยิบอะไรอันนึงมาวางไว้ข้างตัวผมจึงเอื้อมมือคลาดูเพราะอยากรู้ก็รู้ว่าสิ่งที่เอาออกมาจากย่ามนั้นคือมีดสุย ชั้นแรกเห็นข้างโน้นคนเดียวก็จงใจว่าจะสู้มือเปล่าพอเห็นมาสองคนจึงต้องเอามีดออกมาในเวลาชั่วครู่นั้นก็มีเสียงคนมาอีกผมและหนทีมก็ชงเง้อมองและเจ้าคนมาใหม่นี้ก็มีกิริยาอย่างเดียวกันกับเจ้าสองคนแรกทำลังเลใจแล้วก็ขึ้นมาบนศาลาบแบบเดียวกันเจ้าคนใหม่นี้นุ่งสรงตัวเดียวไม่มีอะไรอื่นอีกเลยช่างเจ้ากรรมจริงพ่อเอย๋ยทั้งเก่าและใหม่ มันร้องถามกันแบบเดียวกันอย่างเจ้าสองคนเก่าและก็ว่ากันไปเมืองเช่นกันสรงตัวเดียวนั่นนหรือจะไปเมืองผมใจสัน่นแน่แล้วไม่ผิดตาผิดใจไปได้มันคือหัวขโมยการแต่งตัวของเจ้าคนใหม่ที่เห็นอยู่กับตาว่าเป็นคนแถวนี้เราสองคนเป็นเหยื่อของมันแน่นอนยกผมออกซะก่อนคือตัวเท่าสุนัขแต่มันสามคนร่างกายใหญ่ทั้งนั้นนะทีมคนเดียวทานอะไรมันอยู่ผมใจเต้นตูมตาม นะทีมกามมีดคุมเชิงแกก็คงกลัวเหมือนกันกับผมสามคนใหญ่ๆไม่ใช่เล็กน้อยถ้าไม่มีแรงเท่าช้างก็อย่าพูดเลยมันแกล้งทำไม่เอาใจใส่ต่อเราตามเคยสามคนก็คุยกันเสียงขรมไม่เคยเหลียวมาทางเรามันตั้งวงคุยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วงัดเอาเรื่องอะไรต่อมี่อะไรมาคุยกันจนแทบจํจๆไม่ไหวบางครั้งหยุดเงียบไปคล้ายกับหมดเรื่องคุยแต่แล้วมันก็กลับคุยกันขึ้นมาอีก แม่ไอ้ทิตเมื่อคืนวานนะข้าคิดว่าผีเล่นงานค่าเขาแล้วแต่ว่าลงท้ายเนี่ยกลายเป็นแมวไปเจ้าคนหนึ่งพูดทําซุ้มเสียงคล้ายกับขันตัวเองอ่ะทำไมวะอีกคนหนึ่งถามจะทำไมล่ะตาฝาดไปน่ะสิให้ตกนรกเถอะวะตอนพลบค่าเมื่อวานนี้แหละข้าลงจากบ้านไปห้างเฝ้าควายเจ้าแมวเปรตเนี่ยมันหมอบอยู่ข้างทางพอเดินไปจะถึงตัวมันมันกระโดดผ่านหน้าไปเลย โอ้โหดูเห็นเป็นม้าดําวิ่งผ่านหน้าแม่เว้ยตกใจยืนตัวแข็งมันเล่าจบแล้วก็หัวเราะถันตัวเองแล้วอีกสองคนก็เลยหัวเราะตามไปอย่างสนุกสนานข้าสิถึงจะถูกจังๆให้ตายสิพูดแล้วขนลุกอ้อีกคนพูดบ้างพอได้จังหวะดีก็พูดต่อเป็นเชิงยกย่องตัวเองพับผ่าสิวะถ้าไม่ใช่ข้าแล้วก็จับไข้หัวโกรนไปเลยวะโดนเข้าจริงๆหรอเจ้าคนพิงเสาถามเอา้า จริงสิวะจังหนับเลยให้กูตายสิเอา้าสะบดกำกับรับรองทําไปติดตาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เลยนะกูเนี่ยปลอดกระเสาเลยล่ะวันนั้นเดินหงายแบบนี้แหละวันนั้นจะไปธุระที่บ้านหัวตะพานพบเกวียนผ่านมาเกวียนอะไรวะตอนกลางคืนกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเกวียนอะไรกูไม่เห็นมีอะไรบรรทุกมาในเกวียนเลยแต่ว่ากูก็ไม่เอาใจใส่หรอกนะจะขอแต่ว่าโดยสารมันไปทางนี้เท่านั้น พอถามคนขับมันก็บอกจะมาทางเดียวกันอ้าวเหมาะเลยข้าก็เลยนั่งมาด้วยเฮ้ยเว้ยไอ้คนขับเนี่ยมันแต่งตัวพิลึกนะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยมันนั่งห่มผ้าไ فا ่แล้วก็คลุมหัวพูดถึงตอนนี้ก็หยุดหัวเราะกันกูนี่แทบเป็นลมตายแทนมันเลยละ ว, ว่ะพอเห็นมันคลุมผ้าหรือว่ามันจะกําลังจับไข้เอ๊ะแต่ก็ไม่น่าใช่เพราะพูดคุยกันเสียงอย่างกับคนธรรมดานี่แหละไม่มีท่าทีว่าจะป่วยไข้เลย แต่เฮ้ยกูนั่งมานั่งมาเวียนผ่านหมู่บ้านหมามันพากันหอนเสียงหลงเจ้าคนเล่าเรื่องหยุดเล่าแล้วก็ทำเสียงหมาหอนประกอบเรื่องทั้งๆ ท, ท, ที่มันเป็นคนแต่มันทำเสียงหมาหอนเหมือนเหลือเกินเสียงเยือกเย็นจับเข้าไปในสวงผมเองก็ชักกลัวตามที่มันเล่าไปด้วยกูชักใจไม่ดีเว้ยมันเล่าต่อมันพิสดาร น, นักเจ้าลาทิตหมามันวิ่งหอนตามกเกวียนนะสิ กูนี่ขนลุกทั้งตัวเลยวะ่ะพอเกวียนเลยบ้านเรามาแล้วนะหมามันก็หอนอยู่ไกลๆไล่ตามมากูก็เลยหลุดปากถามมันออกไปโดยไม่ตั้งใจบอกว่าเฮ้ยหมามันหอนอะไรกันวะชั้นแรกไอ้คนนี้หนาวนิ่งเลยสะอิดใจมันก็เลยพูดว่าหมามันเห็นผีถึงหอนรู้ไหมละ่ะกูเนี่ยสะดุ้งหันดูมันนึกในใจนะว่าเอ๊ะผีท้องทุ่งหรือว่าผีอะไรกัน ก็เกวียนไม่มาทำไมมันไม่หอนปากกูเองก็อยู่ไม่สุขถามออกไปอีกผีที่ไหนกันล่ะก็มีแต่เรานี่นั่งเกวียนมามันก็ตามหอนเนี่ยก็มันเห็นผีนะสิมันก็ยังพูดกับกูอีกนะกูก็เลยเคืองพูดบ้าๆทั้งนั้นค่ำมืดกลางทุ่งเวืง้งว้างดันพูดเล่นขนองปากก็เลยเตือนมันออกไปว่าเฮ้ย hey, อย่าพูดเล่นนะ่ะเวื้งว้า ง, างใจคอไม่ดีพอกูพูดจบมันก็หัวเราะคล้ายเยาะกูเลยนิ่ง ถ้ามันเป็นอย่างมึงๆอย่างเงี้ยกูด่าแล้วพับผ่าว่ะแต่เนี่ยมันเป็นเจ้าของเกวียนกูขออาศัยมันมากูก็เลยต้องนิ่งนึกเครืองในใจว่ามันจะพูดเล่นหรือพูดจริงก็ตามถ้ากูเป็นคนมันก็ต้องเป็นผีเพราะทั้งเกวียนเนี้ยมีแต่กูกับมันสองคนไอ้เจ้าของเกวียนมันก็หัวเราะย่ะกูอีกนะเฮ้ยกูอยากเตะมันซะเต็มประดามันกวนเอาการว่ะพอมันหยุดหัวเราะมันก็พูดว่าไม่เชื่อเหรอว่าผีมีจริง พอกูได้ยินแบบนั้นนะกูก็พูดไม่ถูกจะว่ากูกลัวกูก็กลัวจะว่ากูโกรธกูก็โกรธนะใจคอตอนนั้นกูเนี่ยตึกตักตึกตักมันพูดขาดคําเท่านั้นแหละเฮ้ยเว้ยให้ตายเดี๋ยวนี้เลยตัวมันสูงขึ้นผิดธรรมดาให้กูตายจากไปเลยว่ะกูไม่พูดเท็จมันเป็นผีจริงๆมันลงจากกวียนพอยืนกับดินตัวสูงเท่าต้นตาลกูเนี่ยตัวแข็งเลยไอ้เปรตนั่นไม่ทําอะไรกูเลย มันหันหลังแล้วก็เดินเข้าดงไม้กูไม่ไหวแล้วกูโดดลงจากเกวียนได้กวิ่งลมออกหูเลยพอจบคำเล่าของเจ้าคนนั้นอีกสองคนก็หัวเราะครืนอย่างขบขันผมฟังอยู่ห่างๆชักเปลี่ยนใจหวาดระแวงเกรงการเป็นผู้ร้ายของเจ้าสามคนนั้นกลับเป็นสนใจฟังเรื่องผีและชักกลัวตามที่มันเล่าแม้แต่มันเล่าเป็นเรื่องสนุกแต่ก็น่ากลัว เพราะเรากำลังอยู่ที่ศาลาเปลี่ยวตอนกลางคืนมองไปทางไหนก็ทุ่งเวิ้งสงัดเงียบค่อยๆเลื่อนกายให้ผลร่องห่างเข้าชิดนาทิมซึ่งแกก็ฟังแต่นั่งเฉยมือกลุ่มมีดเสมอแกคงคิดว่าเจ้าพวกนั้นหานิยายมาเล่าให้เราเพลินแล้วก็เลยหลับมันทั้งสามก็จะเอาข้าวของเราไปหมดส่วนผมไม่ง่วงเลยคืนนั้นแม้จะเดินมาเพลียความเพลียหายไปดังปิดทิ้ง ใจกลับมาห่วงจรกรรมและเรื่องผีผีสังสางไอเรื่องหมาหอนละมันเย็นนักฮิเจ้าคนหนึ่งพูดอืมกูเนี่ยไม่ชอบเลยว่ะพอมันพูดขึ้นเสียงบู๊ไออีกคนก็ทำเสียงหมามันช่างทำเหมือนราวกับได้ยินเสียงหมาหอนจริงๆมันเยือกเย็นถึงกับขนลุกและเจ้าอีกคนก็ชอบสนุกทำเสียงนกแสกร้องมันก็ทาเหมือนอีก ดังแทกยาวๆคล้ายกับนกที่อยู่บนท้องฟ้าจริงๆถ้าไม่เห็นว่ากลุ่มคนนั้นทำเสียงเล่นเพราะว่านกกลางคืนนั้นบินร้องผ่านศาลาไปมาและหมาก็หอนรับกันอยู่เป็นจังหวะดังว่าพูดผีปีศาจกําลังมาจริงๆไม่เห็นสนุกตรงไหนเลยที่มันทำเสียงเหล่านั้นเล่นคนเรานี้ช่างมีอะไรแปลกๆจะพูดเล่นอะไรไม่เข้าหูมนุษย์อีกคนนึงก็ทาเสียงคนหัวเราะ อ, อย่างแหบแหง้ง กับเสียงหมาเสียงนกเสียงมันแหบฟังดูน่ากลัวอย่างร้ายกาจเลยทีเดียวมิหนำซ้ํายังลุกขึ้นเดินมาเอาผ้าคลุมหัวก้าวเท้าไปงุบงุบแข็งแข็ ง, ขงเหมือนผีดิบที่ใครเคยเล่าให้ฟังปากก็หัวเราะบ้างกระแอมบ้างมันก็ทำอย่างกับว่าเราเห็นปีศาจจริงๆแล้วมันก็หยุดหัวเราะกันอย่างขบขันมันจะทําให้เรากลัวณนะทิมกระซิบบอกผมเบาๆผมได้สติ คิดได้ว่ามันจะให้เรากลัวแล้วก็ไม่อยากอยู่บนสาลานี้กระมงังแต่มันจะทำอย่างนี้ทำไมละ่ะถ้าเราหนีไปมันจะได้อะไรจากเรามันสามคนไม่เอาใจใส่ใครทั้งนั้นดังว่ามันเป็นเจ้าของสาลานึกจะทำอะไรก็ทำตามชอบใจหรือมันคิดหาวิธีพานกับเราถ้าเราไม่พอใจมีเสียงขัดกันขึ้นจะได้วิวาสกับเราแล้วก็แย่งชิงของเราไป พวกมันหยุดการแสดงและหยุดพูดไปนานผมค่อยสบายใจขึ้นแต่ว่านาทีมยังคงนั่งคุมเชิงอยู่อย่างเดิมเพราะยังคาดไม่ถึงว่ามันจะทำอะไรอีกต่อไปในครู่นั้นเองเจ้าคนที่นุ่งสรงผืนเดียวลุกขึ้นยืนและร้องว่าเฮ้ย hey, ถ้าผีมาแบบนี้เองจะว่ายังไงพร้อมกับที่มันพูดมันชูมือขึ้นโอ้โ oh, ห oh, คุณพระช่วยนั่นมันอะไรกันมือที่มันยกชูนั้น โตใหญ่อย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้มือมันยาวเกือบติดเพดานศาลาผมใจหายวูบนะทิมพงหะมาติดผมผมจังงังเหมือนถูกมนจ้องดูมันจนตาไม่กระพริบเราผิดท่าซะแล้วไอ้สามคนมันเป็นใครไม่ได้การซะแล้วมันหัวเราะกันเองอย่างชอบอกชอบใจไอ้สองคนที่นั่งดูพูดพร้อมกันว่าน่ากลัวออกจะตายทาออกมาได้ยังไง ไอ้คนมือโตทำท่าคว้าไอ้สองคนไอ้สองคนทำลุกหนีร้องเสียงโกรธเล่นอะไรกันไอ้บ้าเนี่ยใครๆเขาก็จะหาว่าเป็นผีจริงๆหรอกพูดแล้วมันก็ออกวิ่งหนีไอ้มือโตไล่ตามโอ้ยพ่อแม่ทั้งหลายผมจำติดตาเหลือจะทนทานแล้วตัวสั่นดังจับไข้กอดหน้าทิมแน่นไอ้สองคนที่ลุกหนีนั้นร่างกายของมันสูงเกือบยันเพดานหลังคาผมร้องออกมาแบบไม่รู้ตัว พวกมันหนีและไล่กันโดดพ้นสาลาไปวิ่งหนีไปร้องไปไอ้มือโตก็ไล่ไปพลางหัวเราะอย่างสนุกสนานและหยิบกระเบื้องบนหลังคาคว้างกันแล้วก็วิ่งหายไปท่ามกลางแสงจันณ์นัทิมหยิบห่อของแล้วฉุดมือผมวิ่งลงบันไดาสาลาพอถึงพื้นดินก็วิ่งกันเหยียดไปตามทางเกวียนผมยึดชายเสื้อนัทิมไวแน่นวิ่งตามอย่างไม่ลดละแม้นททิมจะเป็นผู้ใหญ่กว่าก็วิ่งทันกัน วิ่งไปเลียวหน้าเลี้ยวหลังไม่หยุดหย่อนมาถึงริมน้ำตำบลหัวดุมได้เร็วเกินคาดมีบ้านอยู่หลังหนึ่งยังไม่นอนจุดไฟสว่างอยู่ได้เข้าอาศัยเขาเล่าเรื่องให้เขาฟังทั้งทั้ ง, งตัวสันเทาเจ้าของบ้านรับเราเข้าอาศัยแล้วรีบปิดประตูบ้านเพราะเกิดกลัวผีจะตามไปบ้านเขาผมกับนทีมนอนไม่หลับเจ้าของบ้านหาพ่อห่มให้คิดจะคุมโปรงแต่ไม่ไหวร้อนเหลือประทัง ทนตาแข็งอยู่จนตลอดคืนชาวขึ้นจึงได้ร่ำลาเจ้าของบ้านพร้อมกับขอบบุญขอบคุณเขาแล้วลงเรือกลับบ้านไป